ไม่มีไฟใดเสมอด้วยราคะไม่มีโทษใดเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกใดเสมอด้วยเบญจขันไม่มีสุขใดเสมอด้วยความสงบพุทธะ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 ก็ทำให้เกิดปัญญาหรือไยหลังจากการที่เราได้กระทบกลับอารมณ์ที่มาทางตาทางหูเป็นต้นถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาคอยควบคุมสิ่งเหล่านี้แล้วก็จิตเราก็จะมีโมหะมีความหลงมีความโกรธเป็นต้นการเจริญสติก็เพื่อทำจิตของเราเนี่ยให้เป็นจิตที่ว่างๆที่เป็นปกติ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 นี่เราเป็นการพึ่งตนเองกำลังใจที่ได้จากคนอื่นเนี่ยยังไม่เทียบเท่ากับกำลังใจที่ได้จากใจเราเองที่ได้จากกําลังสติเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงเน้นว่าให้เรามามีสติมีความรู้สึกตัวอยู่ที่จิตใจเราอยู่เสมอๆใจเราจะได้มีกําลังเราจึงมาเริ่มต้นเด็ย ก, การฝึกจเจริญสติ ซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเราก็เริ่มกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วบางท่านก็อาจจะมีแล้วในตัวเองแต่เราสามารถที่จะสร้างเสริมความรู้สึกตัวสร้างเสริมสติเนี่ยให้มีขึ้นอีกให้มีขึ้นมากมากได้โดยการมาสร้างขึ้นมาเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยสติเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ไม่มาก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 หลับตาเราก็ดูได้เวลากายเคลื่อนไหวให้เราระ ล, ลึกรู้ลงไปที่กายกําลังเคลื่อนไหวรู้ด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่รู้ด้วยความคิดนึกเราจะเคลื่อนไหวด้วยวิธีใดก็ตามที่เราพอจะหาได้จะกระดิกนิ้วจะขยับเท้าจะกระพริบตาพลิกมือไปมาหรือที่ลมหายใจ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 มันเป็นเรื่องสมมุติแต่ถ้าปัญญาเกิดจากการภาวนาคือลือกรู้โดยตรงเนี่ยรู้เฉยเฉเนี่ยอันนี้เป็นตัวปรามัดไม่มีคาพูดไม่มีความคิดมีแต่ความรู้สึกเนี่ยคือปัญญาที่ไม่มีชื่อจะไม่มีคำพูดก็ได้เพราะฉะนั้นให้เรารู้สึกตัวล้วนๆอยู่อย่างนี้แหละรู้แบบดูเนี่ยอันนี้เป็นวิปัสสนา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 ใจใจแต่เราก็เช่นเดียวกันถ้าเราฝึกสติให้รู้สึกตัวเฉยๆรู้เฉยๆนีนะ่จิตเราจะผ่องใสจิตเราจะสดชื่นจิตเราจะเบิกบานด้วยตัวที่รู้เฉยๆเนี่ยรู้ที่ไม่มีความคิดไม่ใช่คิดรู้คิดรู้นี่ยังไม่จริงเท่ากับรู้เราไปล้วนๆเนี่ยจริงกว่าเราไม่ต้องไปคิดเอาหรอกไม่ต้องคิดช่วย จิตที่รู้เฉยๆเนี่ยมันเห็นเองเห็นธรรมะไปเองในเช่นความโกรธเมื่อความโกรธยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราจเจริญสติไปแล้วก็คิดว่าไอ้ความโกรธที่มันไม่ดีความโกรธที่มันไม่เที่ยงความโกรธไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นล่ละเป็นความโกรธที่เกิดจากความคิดเอาซึ่งยังไม่มีขึ้นในปัจจุบันแต่พอความโกรธเกิดขึ้นปั๊บ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 จะว่าเป็นนิพพานชิมลองก็ได้เราลองฝึกแบบรู้เฉยๆดูบ้างแบบไม่ต้องคิดเรามากักจะอยู่ในโลกของความคิดมานานเราไม่เคยอยู่ในโลกของความรู้เฉยๆถ้ารู้เฉยๆนี่มันได้เป็นโลกแล้วนะมันอยู่เหนือโลกแล้วเหนือโลกคือเหนือความคิดนี่เองถ้ารู้เฉยๆรู้สึกตัวล้วนๆลงไปที่กายที่จิตนี่แหละ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 ที่จะเจริญสติให้ต่อเนื่องกันต่อไปเพราะว่าเราต้องฝึกช่วยเหลือตัวเราเองช่วยตัวเองให้มากๆและเราจะพึ่งตัวเราเองได้แเป็นการสร้างที่พึ่งที่แท้จริงคือพึ่งตนเอง